ยี่ปอน้องเมพมาตายในของตัวในส่งออกไปข้างนอกอย่างพระพุทธเจ้าเห็นคนแจ็บก็น้องมาสอนตัวเราก็จะต้องแจ่เห็นคนเจ็บเราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายพระพุทธเจ้าขันนํามาสอนตัวของ่านน่ะเห็นสมณะขันนั่งทำถาโถมานจะมาบัตบ ท่านคงจะได้ความสุขความสบายท่านองค์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครที่เจน่าอาการแจ่มใสดีเด่นไม่มีการกังกวลเรื่องอื่นความสุขคงจะมีอยู่ในจุดนี้เกิดเลือกไหญเกิดยางออกบวชก่อนที่จ ะ, จะเสด็จออกบวชเห็นอย่างนั้นแต่จึงว่าเทวทูตซึ่งผู้บอกอย่างเทวาดาบอกของจริง น้ำแจกน้ำเก็บน้ำ ต, ตายมันของจริงใน่ใช่ของเล่นเดี๋ยวเราเห็นเป็นไทยพระพุทธเจ้าเห็นว่าเขาบอกแบบเทวาดาถ้าไม่มีส่วนเหล่านี้ใครล่ะที่จะคิหนีจากโลกจากส้วมสารไ อ, อ, อ้พระเจ้าิณฑิเผยเคยไอ้พระเจ้าองตหนหลักแน่งเข้าไปขนาดนี้มันมีถึงจะเผยจะเพื่ อ, อ, อ, อนจะสนุกขนาดไหน คามแย่ก็่าไม่เคยเลยนะถึงเวลากวแย่ไปความเจ็บก็เหมือนกันจะรักษาอยู่ขนาดไหนก็ยังมีเจ็บมีไข้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีตายมันนียิ่งเกี่ยวกับอริยาาสัจของจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีกโกหมกพวกลมไคลจะไม่ได้กว่าตามวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าขนาดไหนจะแก้ไขอริยาาสัจของพระพุทธเจ้าแก้ไขไม่ได้ยิ่งอย่างไรเกิด คงเส้นของว่าอยู่อย่างนั้นใครจะสลาดเสียบแหลมมาจากที่ไหนก็มาเถอะเดี๋ยวทำเสือกบินหรือจะหลุดดาวเทียมอะไรขี่ไปเถอะขี่นีดความตายจะไปโลกไหนโลกถ้าจันทร์ออถ้าอังคารก็ไปเถอะก็จะต้องตายอยู่นั้นทุกแล้วติดตามไปไหมจะต้องติดตามไปอีกก็จะไปทิศใดทางใดทุกคนจะต้องติดตามไป อาจิตใจไหมแก้ไขพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วคนนั้นจะทุกข์ตลอดไปในสิ่งที่เขาไหมสมหวังสมปรารถนาของเขานี่เราพูดได้เจ้าขันเขีนเป็นจริงขันจริงหลักเป็นอริยสัจอย่างนี้ไปคิดได้ทางใดตัวนี้ไม่ได้นอกจา ก, กจะพิจารณาเอาปัญญาแก้ไขให้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางตามสภาวะของเขา มันเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นในยึดมั่นพวกพันลุ่มหลงรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่งางๆวางได้ปล่อยได้ัดนงว่าการอยู่ป่าอยู่สงกวิเวกเป็นที่เยียดเย็นเป็นที่สบายเป็นที่ของพระโยคาวจรคือผู้ต่างหน้าต่งางตาผมเพื่อปฏิบัติ เกิดจากข้ามคนไปจับวัตจากงสั่ผู้ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติอาชธรรมจะต้องแสวงหาที่สงบสงัดปฏิบัติสะดวกไม่ใช่คนมุ่งปฏิบัติอาชธรรมสร้างอันนั้นก่ออันนี้วิ่งเข้าสู่ตลาดหลานีวิ่งเข้าไปสู่โรงหนังโรงละครคนนั้นเป็นคนเติพึ่งอาจปฏิบททัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสนเสิญขันไม่ไ ่านต้ำนี้เดี๋ยงทุกงี่ี่โมงต่างต่าตละเสริญตามส ง, งบส ง, งาัดแตละเสิญกันกอยู่โดดเดี่ยวเป็นทางที่จะที่จะนาแก้ไขกายใจจิใจฟองงา่ายจนาหน้าเป็นพระพุทธเจา้าแล้วก็ยังบัญญัติเจนาชนะ ใครจากหมู่บ้านแตงยีทุกห้าเส้นเป็นอย่างต่บเพราะอะไรเพราะเห็นว่ามันข้อลบหลีกจากเรื่องต่างๆงา่งได้ง่าถึงแม้จิตใจท่านจะเจยวข้องวังนนิ้ธรรมทำของท่านอยู่แบบนั้นท่านสบายเหลือไม่สิ่งลายชิ้นตายลายมันก็ยังอยู่มันเคยรู้เคยเห็นเคยีเคยเด่นด้วยเียดใด ท่านกบสองกบเพื่อปฏิบัติอย่างนั้นปุตติมาพึงพาอาศัยเมื่อได้อยู่ในที่งสงบสงัดปฏิบัติสะดวกมันก็ง่ายจิตใจที่แจบคลายําหนักจินดีต่างต่าันเลยสอนให้เขาไปพุกธีกีโมงในหลุมไปหลงในเรื่องต่างต่สอนให้แกะไขเราทุกคนดีไหมฝึกอบรมกายใจก็ มันพิจรารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าทักฟอกตายใจของตัวสิทขวดสิเสียต่างๆให้ตกออกไปความดีให้สงบสงัดอย่างไรใส้งงสว่างสวัยให้แก้ไขปลดเสียงจิตใจของเราอ่างใจที่เดือดร้นหาอย่างไรมันรักษาเอาไว้พิจรารณาให้กล่าวหน้าขึ้นไปผลสุดสุดจิตใจจิตเคยหลุ่มหลง ง, ง่เ ง, ง, ง, งาเตาตุนอาจะเป็นจิตใจที่สลายเสียบแหลมเข้าละวาง ลอยเรื่องความเย็ดยึอต่างๆจนหมดจากดวงจิตจิตใจจิตข้อธมะของพระพุทธเจ้าสอนไปถึงที่สุดจุดหมายอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพวงกันทั้งหลายได้ระดับรับฟังแล้วจงนําไปที่มิจฉาเนาจุดใจภาจายของตนดังนั้นไปถึงจะมีความสุขความเจริญในพระบวรพุทธศาสนาอธิบายกรรมะในหลักความสควรจิตเวลา มาะ่งยงนสบาย่นีสบายนัเลยมต้องปนมมือทังทำเา ได้ธรรมะถู่ฟังขึ้นมาวันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่และ ว, วันธรรนะมะวันนี้เจาไปเกันยันสองัสอ ง, ส อ, งอย่างวันปีใหม่ประเทศไทยของเราเลยมาเราอยากจะอวยพรกันอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องพรีเขาอวยกันแล้วสอบติดใจ แต่ความจริงเป็นไปตามพรที่เขาให้มันตัวดีแต่นี้คงเป็นไปไม่ได้พรที่ต้องทันที่พวกเราทันควรจะจดจำเอาไว้กือการทำความดีความดีนั่นแหละเป็นพรที่ดีเด่นใครทำลงไปการใดส ม, มัยใดไม่ว่าตีใหม่ตีเก่า คนนั้นจะได้รับความสะดวกสบายคิดถึงเรื่องการกระทาการปูกตันจิตของตัวในความดีรื่มจิตเย็นใจในเห็นโทษเห็นไผรอะไรที่จะมาเกี่ยว ข, อข้องเพราะการสร้างความดีของตัวแล้วเรื่อกถึงแล้วฟุ่มใจสบายใจใเป็นพรสำคัญที่พวกเราท่าน ควรจดจำเอาไว้ไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าวันเสาร์วันอาทิตย์พูดถึงการสั่งคนงามคำดีทางภาษาจนาะฉันเชื่อว่าสุนัขตาตังสุมังสลงน้อยท้องว่าการสั่งคำดีทำคำดีในการใดเวลาใดวันใดปีใดเดือนใ ด, ด, ดก็าตามเป็นมงคล เป็นฤกดียามดีเวลาดีแต่ทำความชั่วความเสียถึงจะดีเดือนหรือโอกาสเวลาจะดีเด่นขนาดไหนก็ตามก็เป็นเรื่องชั่วเรื่องเสียอยู่นั้นแต่เป็นเรื่องดีเรื่องเด่นให้การสร้างความดีใส่กายใส่ใจก็เหมือนทานอาหารไม่ว่าทานกลางวันกลางคืนทานยืนหรือทานนั่ง ควาอิ่มน้าสํำลันจะเกิดขึ้นจากการทานอาหารเราไม่ทานปีเดือนวันเวลาจะดีเด่นขนาดไหนความอิ่มน้าสํำลันในอาหารย่อมไม่มีนับวันนับเวลาที่จะหิวเข้าไปร่างกายก็นับวันอ่อนเพียวมีการทําความชั่วการทําทําเสียกเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเ จ, จ้าท่านจึงห้ามไม่ให้ทำไม่พูดไม่คิด ทางขวทางเสียต่างๆใครฝ่าฝืนฝืนทำจะเป็นการใดเวลาใดคนนั้นก็เป็นอภโมรคนเป็นโทษเป็นใครถึงเขาจะจับกลุมกุมตัวไม่ได้ตัวเองก็คิดถึงเรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆเหลือร้อนแผลเเผาไม่ได้รับความเบาความสบายเพราะโทษตัวเองเห็นอยู่ที่เราไปทำไปฝูดไปคิดแต่ทาดี คนอื่นจะไม่สันและเสิญเยนย่อกว่าตามเป็นสิ่ที่ควรสร้างควรทาขึ้นคนอื่นเขาจะติถิินนินทาว่ากล่าวต่างๆกว่าฉังเขาใจใจของเราเบาสบายยิ่งการภาวนายิ่งเป็นการสําคัญทุกครทุกท่านจะต้องฝึกปฏิบัติอบรมฝึกหัดเพราะการภาวนาเป็นเสื่องรวมใจให้หยุดให้อยู่ให้นิ่ง อยากอารมณ์สัญญาต่างๆอย่างเวลาฟังธรรมะก็ให้ปล่อยจิตใจอย่าให้ไปคิดยุ่งเรื่องอดีตที่ผ่านมาดีชั่วอย่างไรก็เป็นเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องไปคำนึงคำนวณแต่เราทําชั่วทําดีอย่างนั้นอย่างนี้อนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าก็เหมือนกันให้ตั้งใจไว้ปัจจุบันรวมใจเข้ามาอยู่ภายใน ตัวของตัวมีเป็นเหลืองธรรมธรรมะพิจารนาจิตใจอย่าให้มันรัวไหลไปที่อื่นคิดขึ้นปัจจุบันถ้าหากไม่เป็นอัดเป็นทำพยายามปัดเต่าอารมณ์ส่วนนั้นให้ตกไปต่างใจเอาอาัดเอาทำมาที่นี้ทิจร า, สสารนาตสางตัก้อจิตใจของตัว ที่เส่อหมอขุนมัวไอสว่างสวยนี่เป็นการนั่งฟังธรรมะเพราะกายของเราไม่ได้ไปทําการงานอะไรวาจชาของเราก็ไม่ได้ต้องไปพูดอะไรตาหลับไอจําเป็นจะลืมอะไรจะลืมไปดูอะไร <c oughs> เราใบก็ได้ที่เจรนาใจกำหนดใจอยู่นั้นจะกำหนดพุทโธกับพุทโธพุทโธอยู่นั้นไม่เหยือ่อถ้าไยยังเหยอ บริกรรมให้ขี่ของหายใจของเราขาดจากความปรุงเรื่องอื่นให้จิตสัมผัสอยู่กับเรื่องพุทโธอยู่นัผลที่สุดจิตใจอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นจิตจิตเป็นพุทโธรู้ความสุขความทุกข์ต่างๆวางอารมณ์สัญญาขาดความสว่างสวยจะเกิดขึ้นความเบากายเบาใจจะเกิดขึ้นมีความสุขความสบาย เน่ยจ้กังวลวุ่นวายกับเรื่องอื่นอื่นเวทนาที่เคยรบกวนปวดล้างปวดเอวปวดแข่งปวดขาก็หายไปหมดอยากเย็นสบายเนี่ยจิตรวมพอมาเป็นหนึ่งมีกำลังขับไล่เรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆวางเวทนาขาดสัญญาความจำรู้เฉพาะเกี่ยวกับจิตรวม จิตรวมอย่างนั้นเนี่เป็นจิตสุขจิตส บ, บายคนที่ยังไม่เคยประสบพบเห็นเรื่งจิตรวมเท่านั้นก็นจะเกิดอัศจรรย์ใหญ่อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะกระกทั่งเรื่อยไปเพราะความปล่อยวางเรื่องกัญญาอารมณ์ต่างๆเราเห็นไปจับเกิดมาในชาบดีพบจิตชไม่เคยเห็นเคยเป็นแต่ความสุขชนิดนี้มันเป็นอย่างไร พอมาฝึกหดัดใจของตัวเห็นเป็นขึ้นตัวเชื่อเหลื่มใสหล่ความสุขในด้านของการสึกใจเป็นความสุขดีเด่นอย่างนี้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระริยสงว่าถ้ามีความสุขอย่างนี้ท่านจึงไม่เคยเปิดเชินตามเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าท่านเห็นความสุขของใจกระจาบ ในตัวของท่านเชื่อมั่นอยาก ป, ปฏิบัติเพียงแต่จิตสงบสงัดลงรวมนิดหน่อยขนาดนี้อันนี้สงก็ยังเห็นขนาดนี้ถ้าเราทำการจริงจังได้ทุกวันทุกเวลาหรือละถอนอย่างความโลความโกรธความหลงออกไปจากใจเด็ดขาดจะมีความสุขความสบายขนาดไหนก็มีความเชื่อความเดือมใสอยากจะปฏิบัติ ข่าเห็นถ่าเป็นถ้าไม่เห็นไม่เป็นอะไรเจียงฟังไปแล้วกว็ไม่ตนใจจะฝึกอบรมตัวในนำไปประพฤติปฏิบัติทดสอบให้เห็นตามความจริงจริงเจ้าจฟังอยู่วันยังขำขึ้นอย่างรุูงจะฟังสักจีกันก็ไม่เขื่อไม่เหลื่อมใส่ไม่ยินดีไมพอใจจิตการกระทำ ก็สักว่าแต่จะทำเท่านั้นเวลาทำก็จิตใจฟุ้งคลุงแต่ที่อื่นเสียเวลาฟังก็เหมือนกันน้ำไมล็ไหลเข้าไปในจิตในใจของตัวทำก็เหมือนกันกิิยาภายนอกทำได้ง่ายได้แต่ภายในดัดจากหน่อยเพราะมันอยู่ในต้องอาศัยแต่จิตปัญญาที่มีพิจารณาบังคับบัญชาจริงๆแต่ก็ไม่เหลือพิสัย แข่งที่นี้จะทำจริงจังยอมเห็นยอมเป็นยอมรู้ผู้ที่เห็นด้วยกัญญาตาในเห็นด้วยใจของตนจริงจังความสุขอะไรอื่นในโลกนี้จะมีความสุขวิเศษประเสริฐเท่ากับการอบรมจิตอบรมใจในม้องานอะไร จิตถือว่ายากลำบากก็ไม่ยากเท่าการอบรมใจของตัวให้หลุดออกไปจากโลกเพราะจิตนั้นเคยจิตคล่องหมักดองอยู่ในพบในชาตมาโนมนานกว่าจะฝึกอบรมมันได้ในใจคลองง่ายเหมือนคลองดองต่างๆซึ่งดองมาเป็นเวลานานเราจะล้างให้มันสะอาดแต่เดียวๆไม่ได้ มันหมักดองมานานอย่างทคำป้อมสมอดองมานานนานลดฟองเกลือฟองอะไรเนตะิมตากเข้าไปถึงผั่วแล้วแตนะ่เพียท่าเทียมภายนอกมันไม่ออกรดชาดของมันยังเค็มอยู่นั่นแต่ดองเค็มถต่ดองหวานกว่าลหวานกว่เติมตาเข้าไปถึงเม็ดภายในของมันโอเคเยังเปียกหน่อยน่ อ, นอขนาดนี่จิตใจของพวกเราท่าน ี่เคยหมัดดองในเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นระยะเวลานับครบนับขาดไม่ได้เราจะทำไปเดียวเดียวให้หลุดออกไปหมดออกไปจึงเป็นข้อยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยของผู้พยายามตั้งใจระพฤ่ิปฏิบัติถ้าเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าทำไม่ได้อริยะเจาาถ่วงไปทำไม่ได้จะเป็นผู้ทุกชนคนนะหนาเนือทวกเราถ่วไปธรรมะที่ท่านได้มา แนะนำําสอนกันโลกท่านตระงเพื่ปฏิบัติได้เห็นเป็นจากการกระทําทองท่านฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงควรสนใจอบรมตัวเองอย่าไปคิดว่าเหลือวิสัยหนักเกินไปลําบากยากยุ่งต่างๆนั่นเป็นเรื่องของมานของกิเลสจึงมากระทิบจิตใจของเราให้หลุ่มหลงไปต่างแล้วก็ท่อถอย ไม่อยากขอช่วปฏิบัติเพราะความห่วงความหวงโลกอันนี้ห่วงหวงมากในใจธรร ม, มดาทหาอำนาจของจิตไม่กล้าแข็งจริงจังตัดยาพกษาแต่ถึงอย่างไรก็พยายามจะไขดัดแปลงไปจะไม่ดีเด่น หลุนในพบนี้ชาตินี้กว่าจะเป็นอุปนิสัยพพใหม่ชาติใหม่เกิดมากว่าจะทำต่อความนึกคิดในจิตในใจกว่าจะทำให้ได้ให้ถึงในชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายถ้าหากเราละ ล, ลึกนึกได้อย่างนั้นการทำก่อเข็มแข็งเข้าไปเหมือนกันกับคนเดินทางอย่างไรก็จะให้มันถึง นั่นแหละวันนี้แต่ทางมันไกลอุตส่าห์พยายามเดินไปอย่างจริงจังเมื่อมันข้ามไม่ยอมไม่ถึงตัวชวนเข้าไปเดินวันใหม่ก็จะไม่ได้เดินนานก็จะถึงชั้นใดการต่อพื้นปฏิบัติทางใจของเราก็เหมือนกันอย่างไรก็จะเอาให้มันข้ามให้มันหมดให้มันสิ้นเรื่องพบเรื่องทราบดัหน้าตั้งตาปฏิบัติกาจัด จริงจังเรื่องของราคาตันหาอาวิชาปาทานต่างๆสึงเคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับบัญชาให้เราคิดอ่านปุ่งฟูกาหนัดบินดีอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้น้าจัดมันไปพิจรณาให้มันทั่วในอย่างนั้นปล่อยวางไม่ได้ทิจารณาทั่วถึงแล้วมันบางมันเอง พิจารณาถวถึงพิจารณาอาจรมนะหรือหากพิจารณาเรื่องโลกไม่มีเวลาที่จะจบหมุนกันไปอย่างปีใหม่ปีเก่าเพราะเรื่องของโลกเป็นวัดตาวนมันวนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยวนไปวนมาอารมณ์กิเลสตัณหาเนี่ยสาวว่ามันได้มาจากที่ไหนของเก่าบางทีเบื่อบางที ยินดีมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างจิตใจกับปอกอกหลอนเราก็ไม่จับจิตมันสักทีหรือว่ามันดีมันเด่นอยู่อย่างนั้นตัวชิคันเชื่อมันม่นในอาจทำเห็นอะไรไม่ดีมีพิรุษกางจับทีนี้ที่จะเรียนะเมื่อมันเกิดขึ้นในเรื่องเก่าจะให้เกิดความดีอกดีใจ ชอบใจในส่วนนั้นกพอเราเลื่อนถึงไทยทเราเคยเห็นทีนี้มันมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงจิตใจในเชื่อในยึดในส่วนนั้นการพิจารณาเรื่องของจิต้องใจมีหลายในที่สวกเราจะพิจารณาความโกรธความโลภความหลงหากพิจารณาแล้วมันก็โทษในแง่ของดีของดีจะเราก็ยินดีนะละพอใจ พอใจอย่างไรทำโกรธเกิดขึ้นตาดําตาแดงก็ธยังพอใจโกรธอยู่ทั้งทัดดท ง, ทงที่มันเผาเราจนคนอื่นดูไม่ได้น่ะเป็นยักษ์เป็นมารไปคนสวยสดงดงามแต่โกรธขึ้นเหรอดูไม่ได้ปาคอมเมนพูดออกมาทําใดรู้สึกว่าน่ะขยะขแขยงเพราะคำพูดออกจากความโกรธเป็นอย่างนั้น เราเห็นคนอื่นโกรธก็ไม่น่าดูเราเองยังจะชอบยังจะยินดีอยู่หรือสอนตัวเองอย่างนั้นอย่าให้มันโกรธขึ้นผมเอาไว้ควาโกรธจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะถือว่าเขามาเบียดเบียนเราเขามาข่มขูเราเขามาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปคิดแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็โกรธขึ้น เขาทาำในถูกอกถูกใจทางที่จะแจก้ไขความโกรธให้เห็นโกษแต่โกรดนี้มันเป็นข้องหยิบข้องดีอะไรมีแต่นําใครมาแผลเขาตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเขาตัวเองหก่อนต้องไปเขาคนอื่นเมื่อที่เจ น, น่าระเรื่องความโกรธที่มันเกิดขึ้นตัวเองก็ไม่มีความสุข คนอื่นเห็นก็พลอยทุกไปตามกันฉะนั้นเราไม่ควรจะไปโกรธไประลึกนึกสอนตัวอยู่เสมอไปอย่าไปละลึกถึงความชั่วของเขาเพราะคนทุกคนชั่วมีดีกว่ามีไม่ใชชั่วอย่างเดียวความดีของเขาก็มีอยู่ไปละลึกถึงความดีของเขาเป็นเครื่องแกไ้ไขหรือเขาไม่มีความดีก็คิดสงสารเมตตามาเท่า ยังไม่รู้เลี้ยงสาอะไรอะไรให้ผมทมโกรดโกยอุบายสัญญาต่างๆทมโกดก่อนปล่อยหดตัวหรือหายตัวไปมีเวลามันเกิดขึ้นนันไม่ไ้เลือ ล, ลึกเลืกถึงอาจทำอะไรที่จะมาสอนใจของตัวความโรภก็เหมือนกันอยากได้มีนน้ขีดมีค่้นไปกันใหญ่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็น ลาเงาของอกุศลมูลน่ยความโลภความกดความหลงมีอยู่แล้วบาปอกุศลต่างๆความทุกขต่างๆจะเกิดขึ้นพอเป็นฐานขความทุกข์แต่เราทําลายฐานความชั่ ว, ว, วให้หมดไปใจของเราจะได้รับความสุขความสบายทำใ ม, ม้ของพระพุทธเจ้าเนีย่ยสอนออกไปนอก สอนเข้ามาภายในคนทุกคนมีธรรมะประจํากายประจําใจทางนั้นใจไม่ได้นําธรรมะมาช้าเอาตั้งใจเรื่องเกี่ลวกัตัญหามาช้าเกี่ยวนั้นธรรมะจึงไม่มีในบุคคลผู้นั้นความจริงมันมีอยู่แต่เขาไม่รู้จักใช้ก็เลยเป็นคนไม่มีธรรมะพระพุทธเจา้าได้ธรรมะก็ได้จากกายจากใจของพระ อ, องค์ อียสงฆทั่วไปก็เหมือนกันฉะนั้นเราทุกท่านมีกายมีใจคอยจะใข่ชี้ชีนิพิจนนารณาแจกไขความสวดช้าลามกใส่ตกออกไปบำเพ็ญความดีให้จิตใจผ่องใสให้จิตใจเยือกเยน็นให้จิตใจเป็นธรรมไต้ตองโล่งคุ้งไปเรื่องขางหนอะบอกสอนตัวอยู่สมเสมอทีทิตของเราทุกคน ถึง100ปีหรือพันปีเยอะมากกว่าตายไปอะไรที่เรารุ่มหลงวุ่นวายต่างๆเราจะต้องจากมันไปเพราะร่างกายของเราเราก็จะจากไปอยู่ส่วนภายนอกออกไปจากกายแั่ก็จะต้อง ถ, ถ้าจากมันไปอีกเหมือนกันควรจะสร้างความดีเอาไว้ซึ่งเป็นเพื่อนของเราที่จะติดตามไป ความดีเหมือนตะเบียง <c oughs> สำหรับเดินทางแต่นั้นคูอที่ยังเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายจะต้องเตรียมตะเบียงเอาไว้เพราะทางกันดานการเกิดตายไม่ใช่นของง่ายเลือกเอาตามความต้องการของใจไม่ดักการเกิดการตายของมนุษย์เราเพราะทุกคนสอบเกิดในสถานที่ดีมีความสุขตรกูลดีสมบัติพระสถาน ข้อมูลบริบูรณ์ใช้ก็ต้องการอย่างนั้นแต่ที่เป็นไปไม่ได้เพราะอาศัยกรรมของตนกรรมคือการกระทาทางดีทางชั่วต่างๆเหมือนคุนติดในใจิตในใจไปทุกพบทุกชาติคนที่ไม่มีกรรมดีใช้ในจิตในใจถึงปรารถนาะอยากจะได้เกิดสถานที่ดีมีความสุข ต่างๆก็หมาสมปราคนาให้เหมือนกันกับคนที่ไม่มีเงินทองติดตัวไปอยากไปพักอาศัยโรงแรมหรือไปอาศัยที่ดีๆอาหารดีๆก็ไม่มีอะไรให้เขาที่เราจะได้พักอาศัยได้บริโภคอยู่จินต่างๆก็าตามทุนทัพย์ของเราที่ปลวกพอที่จะซื้อได้พองดี คุณทรัพย์ของเราเหมืเพียงพอดิฉันสร้างบ้านใหม่ก็เหมือนกันเงินทองของเราไม่มากจําเป็นจะต้องสร้างหลังเล็กเล็กพออาศัยได้เพราะทุนไม่มีมีค้ที่มีทุนน้อยเป็นอย่างนั้นถ้านี้ทุนสมบูรณ์จะสร้างเอาใหญ่ขนาดไหนก็ได้อยากจะไ้ทักทาอาศัยก็สะดวกสบายทักทาอาศัยที่ไหนเพราะทุนทรัพย์ เรามีเจียงพอบริบูรณ์ทุนนัสัตคืออะไรคือกรรมดีทางศาสนาอย่างว่าบุญกุศลควรอบรมสะสมเอาไว้ในเจียงพอบริบูรณ์ภายในใจของตัวอย่างไรเราก็จะต้องตายแน่แน่สมบัติทัศฐานในโลกเราจะจงปล่อยปะละทิ้งกันหมดเพราะคนเกิดมาเราเคยเห็นหนูหูหนยตาของเราอย่างชัดเจนไม่มีใครนำอะไรติดตัวมาจะเหตุใด ถึงข่อยมีสติปัญญามีเสาของเงินทองที่ แ, กแตกต่างกันอันนั้นไม่ใช่ว่าเขามาสแสวงหาในพบปัจจุบันทันตาเท่านั้นเพราะทุกท่านเกิดมาก็มีอวัยวะเหมือนกันมุ่งมั่นอยากจะเป็นคนมั่งทั่งสมบูรณ์สแสวงหาไม่ว่าเวลากลางวันกลางคืนยากได้แต่มันก็มเกินไป พออำนาจบุญวาสนาเก่าก่อนไม่สนับสนุนไห้จะทําทอะไรก็ไม่สมเหมาะจะทําทอะไรก็ไม่เต็นไปเรียนหนังสือหรือก็จําไม่ได้ข้าขายหรือต่อไม่ถูกจังหวะทำํำนาหรือก็ถูกแห่งแล้วได้อะไรมาไม่จบจังหวะไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นนี่คือคนไร้วาฒนา์นะคนไม่มีบุญกุศลมาจตกเก่าก่อน ถึงจะได้สานีภรรยาอยู่กับบิดามารดาของเขาเป็นคนหวานอนซ้อนง่ายดีดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอมาตกเป็นของของเราเขา้าแต่เป็นผู้ชายไม่เคยกินเหล้าก<ม>ินเหล้ามไม่เคยเล่นการทนานันก็เล่นการทนานันอะไรทุกอย่างไม่ดีทางนั้นฐานทับจะจะหามาไหนมีม คนที่ตกเลยเป็นคนอดยอยากอยากจนไปได้ใรายาก็เหมือนกันคนที่มีมวาสนะถึงจะฮะคนดีคน ด, คนดีขนาดไหนมาตกเป็นสมบัติของเขาคนนั้นจะเกิดเป็นของอัปรีในดีเหม่งามขึ้คือคนไม่มีวาสนะได้ได้ามามันเสื่อมมันเสียไปอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องสร้างจิตใจของเราให้ดีให้ดี คือสร้างวาปนะบาละมีคุณงามความดีเอาไว้ใ่ใจของเราใ้พึ่งฐาอาศัยถึงจะไม่หมดพบชาติยังไม่หลุดพ้นไปถึงพายนิพพานเมือ่อใดเราจะต้องอาศัยบุญกรรมที่เราทาเอาไว้จะไปเกิดสถานที่ใดจะไปเกิดในปา่าในดงก็าตามหากเป็นคนที่มีบุญหนักตักใหญ่จะเกิดในสถานที่ใดจะรุ่งโรดดีดีขึ้น ด้วยอำนาจบุญกุศลของจนศี่สะสมเอาไว้จะเนื้อคนในสถานที่ น, นั้นั้นเนื้อพ่อเนื้อแม่เรียกว่าอภิชาตบุตรคือบุตรยิ่งกว่าดีดามานดาอุดถึงสติปัญญาวิชาความรู้อะไรต่ออะไรดีเด่นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจบาทาสนาอำนาจบาทสนาเป็นของ แข่งกันไม่ได้ตัวอื่นพอแข่งกันไดน้เราไปมองเห็นว่าเขาเป็นสัง่งสมองว่า ม, มาอย่างไรคนมันลายในเสือมันลายนอกก็จะรู้จักป่าเสือโค้งรือเสือเลืองเเสือดาวเพราะลายมันบอกแต่คนไม่เป็นอย่างนั้นมันลายอยู่ในพิจารณาดูยาก เราจรึงควรสั่งลายของเราให้มันดีคือสะสมคุณงามความดีเอาไว้กายของเราก็ทําดีตามศิ่งธรรมที่พระพุทธเจ้ า, าแนะนำํำบอกสอน ล, ส น, นละชั่วไปส่วนใดที่เห็นว่าชั่วพยายามละปล่อยวางเชื่อพระพุทธเจ้ า, ายิ่งกว่าเชื่อดีดามารดายิ่งกว่าเชื่อวิเลตัญหาของตัว จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุท ธ, ธบริษัทยอมปฏิบัติตามคำแนะนำคำสอนของท่านเมื่อเราพยายามปรับปรุงตัวของเราอย่างนั้นถึงเราจะยังไม่หมดจีเรตันหาเยี่ยนไหวตายเกิอดอยู่ในวัดสาวสงสารปลอดด้วยอำนาจผลคุณ ง, งามความดีที่สะสมเอาไว้ถึงเขาจะทุกข์ยากลำบาก <c oughs> อย่างไร แต่คนขี่มีอํานาจบาดตนามีบุญยาที่สมผ่านในสถานขี่ใดจะไม่อดยาอยากจนในสถานขี่ใดมีความสุกกายสุกใจให้อันตรายไม่มีนี่คือคุณความดีขี่สะสมเอาไว้เราอย่าประมาทเกิดมาเป็นมนุษย์อุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีแต่เพียงพอบริบูรณ์แต่ยังไม่พ้นไจจับโลกเมื่ อ, อไรยังยนบาดตายเกิดก็จะได้ดอาศัย เมื่อหลุดพ้นเมื่ อ, อไรแล้วนั่นแหละเป็นปัญหาแต่ยังระยะยังไม่ถึงที่ยังไม่พ้นจากกิเลสพยายามสร้างความดีไปความดีเดนี่ยนั้นจะส่งผลให้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามครับเพราะคุณงานความดีหรือทาชั่กวก็เหมือนกันเชื่อไม่เชื่ออํานาจของกรรมที่ทําจะนําพา ไปสถานที่ดีที่ชั่วต่างๆเหมือนกันกับคนที่ไม่เชื่อว่ตะตารางมีคุบ ม, มีทากรรมชั่วแย่หายต่างๆไม่เป็นอะไรขขาจะย่ให้เขาจับเถอขาคนไปไม่ได้เขาก็จับได้ตารางมีหรือไม่มีเขาจะไปเห็นหนวยตัวของเขาเองนั่นคือกรรมชั่วของเขาคนอื่นๆ จะไปเข้าต้อ ง, งขออนุญาตนี่เขาไม่ได้ขออนุญาตทางชั่วไปได้ง่าย ง, งา่ไม่อยากไปเขาก็ลาคอไปนี่กรรมชั่วที่ให้ไปเกิดที่ชั่วก็เหมือนกันถ้าสร้างกรรมชั่วเอาไว้จะต้องไปอย่างนั้นกรรมดีสวรรค์เป็นอย่างไรนิทานเป็นอย่างไรเราไม่เชื่อกว่าตาถ้าเราทําลงไปเด็ความดีแล้วกรรมดีจะนํำพาสถานที่ใดเป็นอย่างไรที่ดีนั่นแหละเราจะได้ไปเกิด เราจะได้ไปอยู่เพราะความดีพวกเรามีพระพุทธเจ้าให้เชื่อเรื่องข้อกรรมเพราะศาสนาพุทธสอนให้เชื่อกรรมคือการแต่ทำแต่ทำดีแล้วตัวเองก็เบาใจสบายใจคนอื่นเห็นที่มีอาจมีทำพว ก, กชมเชยสรรเสริญไปสถานที่ใดสูดถึงคนดีก็มีพักพวกที่ดีเป็นเสื่อนถูง คนชั่วกว่ามั้มีทักงพวกีชั่วเป็นเพื่อนฝูงซักจูให้ทำชั่วเลือ่อยไฟดังนั้นเรื่องการครบฆ่าสมาคมจึงเป็นของสำคัญอันหนึ่งแต่ว่าเซวานาจาาะคารานางปันทิตานันจกเซวานาที่นสวดกันไปแต่า ก, การครบฆ่าสมาคมคนนอกก็เป็นทางให้ดีให้ชั่วได้แต่ส่วนสำคัญครบภายในคือครบกับอารมณ์ของใจถ้าหาก เราเลือกพบอารมณ์ที่ดีก็ได้ชื่อว่าพบบัณฑิตภายในถ้าเราพบอารมณ์ที่ชั่วที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเกิดขึ้นจากใจของตัวก็วได้ชื่อว่าพบคนชานภายในคนชานภายในหรือบัณฑิตภายในเป็นของสําคัญที่เราควรเลือกทัาจับสันพบข้าสมาคมเพราะยัง คนทานภายนอกหรือบัณฑิตภายนอกหากเราครบแล้วเราไม่ไทําตามเรื่องของเขาความชั่วหรือความดีจะไม่มีในตัวของเราแต่คบคนทานภายในอารมณ์ภายในพบบัณฑิตภายในถึงอย่างไรเราก็จะต้องชั่วต้องเสียแน่แนต้องดีแน่แน่หากครบดับ้จึงให้เลือกทีนี้ที่จะรด้นะฮะอารมณ์สัญญามาแน่สอนใจของตัว อะไรที่ชั่วที่เสียเมื่อทําหรือพูดไปแล้วเกิดความเดืดร้อนภายหลังระลึกนึกถึงตําหนิติตัวว่าไม่ควรจะพูดจะทําอย่างนั้นนี่คืออย่องชั่วอะไรที่เราทําลงไปโดยความมโนทิตในจิตในใจทําลงไปโดยความหวังดีจริงจังอันนั้นเราระลึกขึ้นเมื่อใดจิตใจเบิดบานแจ่มใสจิตใจเยือกเย็นในตําหนิตัว นี่เป็นเรียกว่าความดีรี่เรียกว่าทำเรียกว่าบัณฑิตควรคิดควรฟุงควรกําหนดที่นี้พิจารณาระวังรักษาอย่าไปพบทานแต่พบบัณฑิตจิต ใ, ใจพวกเราจะมีความเบิกบานหันษาเพราะการพบบัณฑิตภายในเป็นของที่ดีเลิศประเสริฐสุด ทุกคนก็มีอารมณ์ชั่วอารมณ์ดีก็จะเลือกคัดจัดหาพิจะะารณารักษาความดีเอาไว้ปัดเป่าความชั่วออกไปเหื่อต่างท่านต่างคนที่นิจารณาหาธรรมะสอนกายวายใจยใจของตัวอยู่เสมอคนนั้นแหละจะเป็นผู้ดีวิเศษขึ้นได้หางมองข้ามว่าธรรมะเป็นของแท้ ในใจเป็นของฆราวาดเป็นของพวกอยู่ในวัดในวังจะต้องปฏิบัติรักษาเราจะทําอะไรไม่มีเกี่ยวกับธรร ม, มะธรโ ม, มจะทําอะไรทํำด่าฉะนั้นพอเราเป็นฆ้าวาใครคิดอย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมะได้เพราะธรรมะเป็นของปานพระพุทธเจ้าเป็นลูกขาบและเป็นของแท้ของเล่นของผูหยิ่งผู้ใช แล้วแต่คนใดที่จะค้นหาที่จะรด้นามาสอนตัวคนใดประพฤติชั่วจะอยู่เพราราว่ะไม่เป็นทิฏุสิสามมณนก็เป็นคนชั่วไม่ใช่แบบผ่าเลื้ยงๆที่สารล้นจะห้ามกั้นความชั่วได้ความชั่ ว, ค ว, วความเสียไม้ว่าอยู่วัดอยู่บ้านเป็นบรรพชิตหรือเป็นคระเลือหัดทำลงไปเป็นทางเสียทางนั้นไม่ใช่ทางดี ส่วนทางดีจะเป็นคขเรื่องหัดจะเป็นมันธกิจทําก่อนแชื่อว่าดีทางนั้นแต่นั้นเลี่ยงความดีความชั่วเรามีสิทธิ์เป็นตัวของเราที่จะเลื้ยงคาดจัดห า, าและสอนกายวาจาใจของตัวกต่ทาแต่คุณความดีเรื่อยไปความสุขของใจหรือปีใหม่ชาติใหม่ โดยอำนาจความดีของเราก็จะดีเด่นชาตินี้เราขนาดนี้ชาติหน้าหากอำนาจศาสนาบุญบารมีเสแล้วสั่างความดีเอาไว้ต่เกิดชาติใหม่จะดีเด่นยิ่งกว่าชาติจุบันเพราะอำนาจคุณความดีมีอยู่แล้วเป็นต้นทุนหลุนให้จะเรียนอะไรก็จำง่ายทำอะไรเหมาะ ดีมีคนเจริญเสริญเพราะความดีเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงเคยสัางมาชาติของท่านจึงไปดีเด่นมีเรื่อยขึ้นไปจนผลที่สุดได้เป็นพระพุทธเจ้าเบื่ออานาจความดีในใจเบื่อํานาจของชั่วเราทุกคนให้พยายามสอนตัวและละชั่วบําเพ็ญดีจะมีคว ja. ามส hmm? <pod> ุขความเจริญ การอธิบายธรรมะวันนี้แ้าอธิบายไปมาจะเห็นว่าผู้ฟังจะเหน็ดเหนื่อยไปยิ่งขอยุตธรรมะจะใ่ยิ่